นามัตุรัตนตยัสสะขอนอบนอมแด่ประรัตนใจแล้ก็ขอเจริญพรกับท่านผู้เข้าปฏิบัติทุกท่านอ่ะนั่ง ส, าสบายวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติแบบแบบไหนคเีแบบสู้โควิด อันนี้เรียกว่าธรรมะสู้โควิดของจริงธรรมะสู้โควิดของจริงวันนี้เพราะว่าให้คนปฏิบัติอยู่ที่บ้านดูไลมั่งอะไรไลมิตติ้งมั่งดินรนกันดินรนกันเพื่อให้ได้ปฏิบัติดินรนกันเพื่อให้ได้การฟังธรรม ให้ไม่ขาดไม่ขาดหายเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวโควิดจนทำให้ชีวิตไม่เหลืออะไรอย่างนั้นมันก็แย่มีครั้งหนึ่งเทวดาได้มาถามพระพุทธเจ้าไม่ถามหรอกเทวดาก็มาโชว์เผาโช ว, ว่าตัวเองมีความคิดเห็นดีอย่างไร บอกว่าอุปนิยติชีวิตตมัพปมายุงจะรูปนิตัดสะนัสันติตานาบุญญาณิกยิราาัตสุขมาวะหานิ <c oughs> เทวดามารำพึงรำพันท่องกลาบกาบโคนไอกาบโครงให้พระเจ้าฟังว่าชีวิตอายุที่มีประมาณน้อยนี่ ถูกต้อนเข้าไปเมื่อถูกชราต้อนเข้าไปให้ใกล้เข้าไปสู่ความตายถ้าชีวิตไหนมาพิจารณาเห็นดังนี้ในความตายว่าเป็นภัยรออยู่เบื้องหน้าก็จะมีความรู้สึกว่าโอยชีวิตเรามันเหลือน้อยเต็มทีเทวดาบอกว่าถ้าใครคิดได้อย่างนี้ บุญญาณไอ้กยิราทะสุขมาวหานิคนนั้นสัตว์ผู้นั้นก็จะมุ่งมั่นในเรื่องการทําบุญทำกุศลเพื่อความฉุขในวันข้างหน้าคือคือจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเวลาอันน้อยนิดของชีวิตที่มีเหลืออยู่ให้มันเป็นไปด้วยการอย่างอื่นแต่ให้สะสมเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าเทวดาเนี่ย เมื่อเขาไปอยู่ในโลกทิพย์อยู่ในสวรรค์เขาได้ทิพยปยสมบัติเขาก็เห็นว่าการที่มนุษย์สแสวงหากว่าจะได้กินกว่าจะได้ดื่มกว่าจะได้เสพกว่าจะมีนั่นมีนี่แล้วมีสุขวเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันลำบากยากเย็นเหลือเกินแล้วก็เต็มไปด้วยทุกข์สแสวงหาก็เป็นทุกข์มีอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะการประคับประคองรักษา แล้วเมื่อรักษาแล้วถึงวันที่สิ่งนั้นมีความแปรเปลี่ยนไปก็ต้องเกิดความทุกข์จากการพ ล, กพลาดอีกเพราะฉะนั้นการมีความสุขของการเป็นมนุษย์นั้นยากลำบากเหลือเกินในที่สุดแต่เมื่อตนเองได้ไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ก็ได้สมบัติอันเป็นทิพย์อาหารก็ทิพย์กลางทุกอย่างเป็นทิพย์หมด แค่นึกแค่คิดแค่ปรารถนามันก็เสพสมอารมณ์หมายไปเสียทุกอย่างในเรื่องของทิพซึ่งทิพ ป, ปสมบัตินี้ได้มาด้วยอำนาจของบุญเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็นเลยมารำพึงรำพันโครงให้พระพุทธเจ้าฟังว่าชีวิตคืออายุที่มีอันน้อยนิดนี้ถูกชราเป็นผู้ต้อนเข้าไปเพื่อเข้าใกล้ความตาย ทีนี้เมื่อมาพิจารณาเห็นทึงภัยคือความตายแล้วไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยเฉยแต่จะให้เวลาทุกอย่างที่ผ่านไปนั่นเต็มไปด้วยการสะสมซึ่งบุญเพื่อความสุขอันจะเกิดในวันข้างหน้าแต่พระพุทธเจ้าได้ฟังโครงอย่างนี้ก็ได้จัดตอบกับเทวดาคือพระพุทธเจ้าก็ไร้โครง โตเทวดาวาอุปนิยติชีวิตตมักมามายุงว่าชีอายชีวิตคืออายุอันน้อยนิดนี้ชะรูปริะชะรูปริสัต ส, สัตตัสะณะสันติตานาอันถูกชราต้อนเข้าไปณสันติตานาแล้วว่าไม่มีเครื่องต้านทาน คือเวลาชรามันต้อนเราชีวิตเราเมื่อถูกชราต้อน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนรื่อยณสันติตานาคือไม่มีเครื่องต้านทานใดๆไ ด, ไ ด, ได้จะเอาอะไรมาต้านทานไม่ให้ถูกต้อนเข้าไปสู่ความตายไม่ให้ถูกชราต้อนเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมาต้อนไปทุกขณะทุกเวลา มันจึงเป็นณสันติตานาะพระเจ้าไม่มีเครื่องตันทา น, านเอตังพยังเอตังมร น, นังเอตังพยังมรเดว่าเมื่อเอตังเอตังพยังมรเดเปกขมาโนเมื่อว่าพิจารณาเห็นซึ่งภัยนั้น ในความตายพอเราใช้จิตใจของเรานี่แหละพิจารณาเห็นถึงความตายว่ามันเป็นภัยใหญ่นั่นของชีวิตโลกามิสั่งปัชชะเฮสันติเปโกพรเจ้าว่าเมื่อเห็นภัยอย่างนั้นโดยประจักษ์แล้วเนี่ยโลกามิสั่งปัชชะเฮก็จะละ ซึ่งโลกามิดออกไปสันติเปโขมุ่งสู่สันติกุจ้าก็ได้ไรยโครงตอบต่อเทวดาเพื่อให้เหนือชั้นไปกว่าเทวดาว่าที่มันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงกว่าที่เทวดากล่าวนั้นมีอยู่คือเทวดาเขาประสบกับทิพยสมบัติ เขาก็มุ่งที่จะให้มนุษย์ทำบุญและเพื่อเอาทิพยะสมบัติแต่พระพุทธเจ้าทรงมีความรู้ถูงสุดเรียกว่ารู้สูงไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธว่าให้สะสมบุญแต่บอกให้เหนือยิ่งไปกว่านั้นว่าโลกามิสรังปัชะเฮให้ละซึ่งโลกามิต ส, สันติเปโกมุ่งสู่สันติ คำว่าโลกามิตรคือสิ่งสมมุติทั้งปวงเหตุผลทั้งหลายสิ่งสมมุติทั้งปวงนั่นคือโลกามิตรโลกามิตรคืออามิตรที่เป็นโลกอามิตรที่อยู่ในโลกสิ่งที่ชาวโลกมุง่งแสวงหากันเรียกว่าโลกามิตรเพราะมันเป็นสิ่งที่สมมุติสมมุติว่านั่นของเรารถเราบ้านเราเงินเราที่ดินเรา สมมุติกันไปเยอะแยะมากมายแต่ในที่สุดมันเป็นของเราจริงๆก็หาไม่มันเป็นของมันอยู่อย่งงางนั้นมันเกิดขึ้นมันดับไปอยู่อย่งางนั้นเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่า ง, งานั้นเรานี่แหละที่โง่เองเข้าไปคาดหมายว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเรามันเป็นของเรา อาการที่จิตของเราเทเข้าไปเพื่อยึดในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นของเราสิ่งเหล่านั้นแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกามิตรถ้าตราบใดที่มันยังเป็นโลกามิตรจิตยังยึดอยู่ในโลกามิตรเหล่านั้นละไม่ได้แม้นว่าจะไปถึงสวรรค์แล้วมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีหาความสันติไม่ได้ แล้วมาสัด์รับรองว่ า, วาชีวิตที่แท้จริงที่เราจะต้องเป็นไปนั้นมันมีสัจจคของมันอยู่ชีวิตมันมีธรรมชาติของมันอยู่ธรรมชาติของชีวิตว่าถ้าวัาชีวิตเรามันก็ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจร่างกายก็ประกอบด้วยาธาตุสี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ ธาตุสี่แต่ละทาดุธาตุดินมันก็เป็นธรรมชาติของธาตุดินธาตุน้ำมันก็เป็นธรรมชาติของธาตุน้ำธาตุลมมันก็เป็นธรรมชาติของธาตุลมธาตุไฟมันก็เป็นธรรมชาติของธาตุไฟมันไม่มีธาตุไหนเป็นของเราไม่มีเราตรงไหนที่ไปเป็นธาตุใดๆธาตุดินมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นธาตุน้ำก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ว่าชีวิตส่วนที่เป็นกาย ก็ประกอบจากธาตุดินถ้าดูละเอียดว่าธาตุดินนี่มาจากไหนธาตุน้ามาจากไหนธาตุลมธาตุไฟมาจากไหนร่างกายของเรานี่แต่เดิมธาตุดินเรามาจากไหนธาตุดินเรามาจากพ่อพ่อของเราเออธาตุน้ำมาจากไหนมาจากแม่ของเราเมื่อธาตุดินมาจากพ่อไปอยู่ในธาตุน้ำของแม่ ธาตุน้ำของแม่เนี่ยช่วยเโลมโอบอุ้มธาตุ ด, ดินของพ่อประคับประคองอาศัยอากาศอากาศจากไหนอะอากาศจากแม่ลมนะจากแม่อาศัยความร้อนความอบอุ่นจากเลือดของแม่เรียกว่าอาศัยธาตุ ด, ดินจากพ่อธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ของแม่อาศัยแม่มาก่อน อยู่ในท้องของแม่นี่ก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะมีแต่ธาตดุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอะไรแรกเริ่มก็มีดินก่อนแล้วก็มีน้ำเมื่อมีดินมีน้ำเสร็จแล้วพอเกิดเป็นลมเป็นไฟลมก็คืออาศัยมาจากของแม่น้ำก็ความไฟก็ความอบอุ่นความร้อนก็มาจากเลือดของแม่พอขึ้นคันอยู่ในระยะสัปดาห์ที่สาม ชื่อว่าเปสิตัววิญญาณธาตุก็ลงมาปฏิสนธิทําให้เกิดเป็นชีวิตวิญญาณธาตุนั่นน่ะมันไม่ใช่วิญญาณนักขันนะวิญญาณธาตุวิญญาณขันยังไม่เกิดแต่เป็นวิญญา ณ, ณธาตุก่อนวิญญา ณ, ณธาตุน่ะโอบอุ้มมากับอํานาจของงาวิชาแล้วก็มีลักษณะเฉพาะคือกรรม บุญบาปข้างดีเรียกว่าบารมีข้างไม่ดีเรียกว่าอาสวะสะสมมาอยู่ในตัววิญญาณธาตุลงมาปฏิสนธิอยู่ที่กายถึงอาศัยจากดินน้ำลมไฟคือธาตุทั้งสองขั้งของมารดาของบิดาแล้วก็ร่วมกันสร้างอายตนะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจอยู่ในท้อง ครวนตุบหมุนอยู่ครบเจ็เดือน8ปดเดือนเกเดือนสิบเดือนสุดแท้แต่ก็คลอดออกมาเมื่อคลอดออกมาเสร็จตัววิญญาณธาตุที่นี้อาศัยกายถ้าไม่มีกายมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดเป็นอะไรขึ้นได้แต่พอมาถึงตนนัวนี้ถามว่าเราอยู่ตรงไหน วิญญาณธาตุมาก็เป็นธรรมชาติของวิญญาณธาตุส่วนกายก็เป็นธรรมชาติของธาตุดินธรรมชาติของธาตุน้ำธรรมชาติของธาตุลมธรรมชาติของธาตุไฟรวมเป็นกายวิญญาณธาตุอาศัยกายอาศัยอย่างไรก็อาศัยตาสำหรับที่จะดู อาศัยหูสําหรับที่จะฟังอาศัยจมูกสําหรับที่จะดมอาศัยลิ้นสําหรับที่จะลิ้มรสอาศัยกายประสาทสําหรับที่จะสัมผัสแตกต้องอืมอาศัยมนโนธาตุมโนสําหรับที่จะนึกคิดแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีอะไรนะมันมีกายมีวิญญาณธาตุพออาศัยกันอย่างนี้มันก็เกิดวิญญาณหักขัน คือใจมันเกิดการรู้ในสิ่งที่ตาได้เห็นเกิดความรู้จากการที่หูได้ยินเกิดความรู้จากการที่จมูกได้กลิ่นเกิดจากเกิดความรู้จากการที่ลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสความรู้ที่เกิดเหล่านี้แหละเรียกว่าวิญญาณขันวิญญาณขันมันจึงต้องอาศัยกายนะกายยังเป็นเรื่องสาคัญ วิญญาณาขันธ์มันจึงอาศัยกายเกิดขึ้นเกิดเป็นวิญญาณาขันธ์ขึ้น <c oughs> พอวิญญาณาขันธ์เกิดที่นี้ต่อไปมันก็เกิดและก็ทําใหเ้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกในที่สุดมันก็มีความคาดหมายรู้จําได้ไอ้นี่ก็เป็นสัญญาเกิดเป็นลําดับมาพอมีสัญญาสัญญาบ่อยๆสัญญา มีความจำเรื่องราวต่างๆคือเรื่องของรูปเรื่องของเวทนานี่แหละเรื่องของวิญญาณ น, นี่แหละที่มันจำรูปจำเสียงจำสีจำกลิ่นจำรสจำเหตุการณ์จำเรื่องราวจำไว้เยอะๆมันก็เลยเป็นข้อมูลทำให้เกิดการคิดทำให้เกิดสังขารเพราะฉะนั้นในขันห้าเนี่ยให้สังเกตว่าไอ้ตัวเมื่อมันเป็นชีวิตแล้วตัวที่สำคัญที่สุดอาศัยการเกิดขึ้นนี่มันอาศัยกาย คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเรามองลงไปจริงจริงมันก็เป็นธรรมชาติของเขานะส่วนที่เป็นรูปมันก็เป็นธรรมชาติของรูปส่วนที่เป็นน้ำมันก็เป็นธรรมชาติของน้ำไม่ว่าส่วนที่เป็นเวทนาก็เป็นธรรมชาติของเวทนาสัญญาก็เป็นธรรมชาติของสัญญาสังขารก็เป็นธรรมชาติของสังขารวิญญาณมันก็ทำเป็นชาติของวิญญาณมันยังไม่เป็นทุกข์ แต่ว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนมันเกิดตรงที่มีอาบิดชาคือความไม่รู้ในความเป็นจริงตามธรรมชาตินั้นๆและมันก็เกิดการไปยึดถือเรียกว่ารูปูปาทานขันโทการยึดมั่นถือมั่นว่ารูปขันเป็นของเราเวทนา สั้นยูปาทานะกัณโตการยึดมั่นถือมั่นในสัญญาสั้งก้ารูปปาทานะกัณโตการยึดมั่นถือมั่นในสังขารวิญญาณูปาณาการตัวการยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณคำว่ายึดมั่นถือมั่นหมายความว่าอะไรยึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่ามันมีความเห็นปักลงไปอย่างแน่วแน่ว่ารูปเป็นของเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูป เวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนามันเป็นตัวเดียวกันสัญญาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนาเนี่ยทำให้สัญญากับเราเป็นตัวเดียวกันสังขารเป็นเราเราเป็นสังขารสังขารอยู่ในเราเราอยู่ในสังขารมันเป็นตัวเดียวกันวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณอยู่ในเราเราอยู่ในวิญญาณทั้งหมดอันนี้เกิดด้วยอํานาจของอุปาทาน คือการยึดมั่นถรือมั่นในขันทั้งนมันผิดธรรมชาติขึ้นมาคือไปเอาสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วให้มาคาดหมายเพื่อให้มันอยู่ในอำนาจของเราเอาสิ่งที่ก็เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อให้เขามาอยู่ตามสิ่งที่เราต้องการโดยตามธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นดูส่วนรูป โดยตามธรรมชาติของรูปถ้าเราแยกออกไปดินน้ำลมไฟแล้วหรือไม่ได้แยกออกให้รวมลงมาเป็นกายนี้ก็เถอะโดยธรรมชาติความเป็นจริงของรูปนั้นเมื่อมีความเกิดขึ้นมันก็เป็นรูปเป็นร่างปรากฏในเห็นแล้วก็มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าไม่เที่ยม คือไม่จีรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงแปรปลวนไปตลอดเวลาเป็นนี่เรียกว่าเป็นอนิจจังเราต้องในอุปทานต้องการไหมอุปทานไม่ต้องการอุปทานต้องการอะไรอุปทานต้องการให้เป็นนิจจังอุปทานต้องการให้เป็นนิจจังอุปทานต้องการไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในรูปเพราะฉะนั้น อุปทานมันจึงเป็นตัวทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันไปแย้งต่อความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาวรูปนะมันเป็นอะไรมันเสื่อมสิ้นพิบัติทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราพอใจความเป็นอย่างนี้ต้องการให้มันคงทนอยู่ในสภาพของความเป็นอย่างนี้แต่มันไม่สามารถ มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือมันทนได้ยากนี่เรียกว่าเป็นทุกข์แต่ในอุปาทานนั้นมันประสงค์อะไรมันประสงค์ที่จะให้คงเป็นอยู่อย่างนั้นให้มันทนอยู่ในสภาพอย่างนั้นในในสภาพรูปแบบที่เป็นสุขไม่ให้มันเกิดการพิบัติแปรปรวนใดๆเกิดขึ้นเพราะนั้นมันก็เลยเป็นไปไม่ได้เหมือนกันในสภาพของรูป มันไม่มีตัวตนคือเราไปบังคับมันไม่ได้บังคับบัญชามันว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นตรงนี้เลยก็เรียกว่าอนัตตาแต่อุปาทานมันทำให้เรากลายเป็นอัตตาท่านจึงกล่าวว่ารูปอุปาทานกันฑาทุกขะการยึดมั่นถือมั่นในรูปประขันนเป็นทุกข์ ที่สาเหตุมันเป็นทุกข์เพราะมันไปแย้งกับความเป็นจริงตามธรรมชาติของรูปมันแย้งต่อความเป็นจริงอันเป็นธรรมชาติของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่อย่างนี้นั้นเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครสอนในอดีตนะมีแต่พระพุทธเจ้านี่แหละท่านสอนเพราะในที่กล่าวว่าเทวดามองไม่เห็นเทวดาไม่รู้เรื่องเหล่านี้แต่เทวดารู้ถึงความสุขอันเกิดจากที่ผสมบัติ ก็เลยไปมองแต่เทวดาสามารถมองเห็นได้ว่าอุปนิอุปนิยตออิอุปนิยติว่าชีวิตตมักประมายยุงว่าชีวิตคืออายุอันมีประมาณน้อยนิดนี้ย่อมถูกชะตาต้อนเข้าไปสู่ความตายอืม เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นภัยนี้แล้วให้เร่งรีบทำบุญทั้งหลายเพื่อให้นำมาซึ่งความสุขเถิดความสุข ก, ก็เหมือนความสุขที่ทิพยสมบัติที่เทวดาได้รับแต่มันไม่เที่ยงแค่ยั่งยืนมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วครู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปส่วนพระพุทธเจ้านั้นเหนือว่านั้นพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายเห็นเหมือนอย่างที่เตยมาได้กล่าวว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น มันต้องโลกามิสตั้งปัจเจเหสันติเปโกและโลกามิตรโลกามิสก็ที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่าโลกอันทุสมมติและจิตมีอุปทานเข้าไปยึดมัน่นว่ามันเป็นของเราเราเป็นมันแต่ก็ผู่พันกันอยู่อย่างนั้นมาจนถึงวันนี้ถ้าเราเราย้อนชีวิตชีวิตคือกายใจของเราเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตจนถึงวันนี้ เราก็เห็นได้ว่าสิ่งที่ชื่อว่าเป็นของเราซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นมันล่มหายตายจากมันแตกดับไปเยอะมากแล้วและสิ่งที่เป็นอยู่ที่เราเข้าใจว่าเป็นของเราเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก็จะเห็นว่าไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเราจริงๆที่เป็นโลกามิตรนะ ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเราจริงๆบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เราจึงคลองเราจึงต้องมีความรู้สึกเป็นทุกข์กับการระแวกระวังหวาดกลัวต่อความพร่าพรากต่อการจากต่อการแตกสลายต่อการสูญหายทําไมมันจึงมีอย่างนั้นเพราะจริงๆอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องพังจริงๆมันต้องแตกดับจริงๆมันต้องพร่าพรากจริงๆมันต้องอย่างนั้นแต่ตอนนี้ มันยังเป็นเสมือนว่าคงอยู่ถูกสมมติว่าคงอยู่แต่เราไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดโดยไม่เข้าใจเลยทำให้ใจมันรู้สึกระแวงตลอดเวลาถ้ามันเป็นเรื่องของเราจริงมันไม่มีหรอกความระแวงมันมีความหวาดกลัวมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้เราไปนั่งคอยระมัดระวังเรื่องใดๆถ้ามันเป็นของเราจริงแต่เรารู้อยู่ว่ามันไม่จริงโดยธรรมชาติมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ของเราพักอย่างเดียวแว่นตาที่สวมอยู่ที่ตาของเรามันก็ไม่ใช่ของเราหน้ากากที่เราสวมอยู่ที่ปากของเรามันก็ไม่ใช่ของเราผมที่มันงอกอยู่บนหัวของเรามันก็ไม่ใช่ของเราให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆคิ้วที่มันตั้งอยู่บนใบหน้าเรามันก็ไม่ใช่ของเราตาดวงตาที่มันอยู่ในเบ้าตาของเราแต่ละข้างมันก็ไม่ใช่ของเราจมูกของเราก็ไม่ใช่ของเราผิวหนังทั้งหมดนี้มันก็ไม่ใช่ของเรา ผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับปังผืดอยปอดเป็นต้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมเมื่อดูก็ไปแต่ละชิ้นแต่ละอย่างแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดเลยที่มันเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้ละโลกามิตรเมื่อเราดูว่าสิ่งข้างนอกมันก็ไม่ใช่ของเราสิ่งข้างในที่เป็นกายมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี เอให้ละโลกามิตรโลกามิตั้งปัชเจสันติเปโขทีสันติเปโข ค, คืออะไรสันติเปโก ค, คือมุ่งหาสันติสันติคือความอิสระความอิสระสันตินะสันติคือความอิสระจากทุกสิ่งที่ชื่อว่าของเราสันติคือความอิสระจากทุกอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นของเรา สันติคือความอิสระของจิตที่เดินออกมาจากทุกๆอย่างที่ชื่อว่าโลกามิตเดียวกว่าทั้งางนอกทั้งข้างในแต่เรียกโดยรวมๆก็ว่าความอิสระของจิตจากขันทังง่าอย่างนี้แล้วมันจะอิสระได้อย่างไรมันก็จะต้องรู้ที่มันไม่อิสระมันเกิดเพราะอะไร ที่มันเข้าใจผิดทำไมถึงเข้าใจผิดเพราะมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ในความเป็นจริงของสิ่งที่มันเป็นตามธรรมชาติของมันอยา่างนัน้นแต่ถ maple, ต้ 2018, ามันรู้มันเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นจริงตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันเป็นแทนที่จะเป็นอวิชานะมันก็เป็นวิชาขึ้นมาถ้ามันรู้ uk, ม, มัน <coaching S 1> <ไป S 2> ก็พร้อมที่จะเดินออกมามันพร้อมที่จะเดินออกมาถ้า เราเป็นมนุษย์ปกติแล้วมันมีซากศพมกแฝนอยู่ที่คอของเราเหม็นเนา่ากลิ่นมันก็เหม็นเนื้อเนา่ามันก็เนา่าการสัมผัสมันก็เ ส, สียเอียนเรารู้ว่านี่คือซากศพแฝนอยู่ที่คอของเราแรงของใจเราที่ไปปรารถนาว่าจะจับไว้จะยึดไว้จะกอดไว้จะหวงไว้มันก็ไม่มีมันก็ไม่มี แต่ถ้าเราไม่ใช่มนุษย์ปกติ <c oughs> เรามีมนุษย์ที่มีความรู้เพียงแค่สิงโตหรือเป็นมนุษย์ที่ไมีความรู้เพียงแค่เพียงแค่ อ, อะไรอะ่ะที่มันชอบของน้เน่า <c oughs> มีความรู้แบบนั้นมันก็อยู่ในครบของมนุษย์แต่ที่ไม่มีความรู้ในดัมความเป็นจริงอย่างนั้นมันก็จะสวมไว้กอดไว้อิ้มไว้ส่วนในคนที่มันรู้เห็น มันก็เอสลกขบขันกันไปเห็นคนคนหนึ่งเดินเอาซากศพมาแขวนคอเลิกก็รู้สึกยังไงเออทีเนี้ยมันแขวนคอก็อยู่แล้วแต่วันหนึ่งก็รู้รู้มันก็สลัดซากศพนั่นออกไปใช่ไหมนี่ก็แตกต่างระหว่างอวิชชากับวิช า, า, ชาถ้ารู้มันก็จะสลัดซากศพ สัญญาณที่มันคล้องพอเราอยู่นั้นออกไปอย่างไรนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้อิสระให้จิตสันติเป็คโคคือว่าเข้าสู่สันติคือให้จิตมีอิสระออกจากโลกามิตรทั้งปวงได้มันจะต้องรู้ทีนี้เราได้ปฏิบัติกันมาเป็นลําดับเรื่องรู้ของเราโดยเฉพาะเรื่องของอานาปานสติ คือการลึกลมหายใจเข้าออกที่ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องในลมหายใจเข้าออกมันเน้นอะไรมันเน้นรู้เน้นรู้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันอิสระเพื่ออิสระจากอะไรอิสระออกจากโลกาลมิตรนั่นแหละอิสระออกจากขันนั่นแหละและรู้ที่เราใช้ในเรื่องของลมหายใจ เราเป็นรู้ที่พัฒนาเป็นระดับเป็นระดับอันแรกเลยถ้าเราเริ่มกำหนดเริ่มเริ่มพิจารณาเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของอานาเราก็จะเห็นได้ที่พระพุทธเจ้าสอนอันแรกเลยคือกำหนดรู้ท่านใช้สัพพปัญชาติพอกำหนดรู้ไปเรื่อยๆเรยๆรืๆท่านที่สองท่านใช้สิกขิติสิกขติมันคือการเรียนรู้หรือการศึกษามันเป็นการเรียนรู้ คือมันเป็นการรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้มันหลงเข้าไปไม่ว่าออกไปข้างนอกหรือลึกลงไปข้างในมันไม่ได้มันจะต้องอยู่ในฐานะเรียนรู้ในลมหายใจการกำหัดรู้กับการเรียนรู้มันต่างกันเห็นมเมื่อเดิมทีจิตใจของเรา น, น, น, นี่นี่พูดเพื่อให้เรามาดูสภาวะรู้นะเมื่อเดิมทีจิตใจของเรา มันทำงานด้วยการคิดเดี๋ยวมันคิดน่นคิดนี่คิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้คิดไปเรื่อยพอเรามากำหนดรู้ลมหายใจเรียกจะใช้ว่าปัญช า, าติมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นคือมันไม่ไปรู้เรื่องอื่นมากำหนดรู้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวไอ้รู้ที่มันเอามากำหนดให้อยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละเรียกว่ากาหนดรู้รู้ เป็นตัวธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่เดี๋ยวรู้โน่นแต่เราเอามากําหนดให้รู้นั้นอยู่ที่ลมหายใจเราเลยเรียกว่ากําหนดรู้รู้ที่ถูกกําหนดรู้อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเมื่อรู้นั้นก็แข็งแรงแล้วครบกําหนดรู้ลมหายใจจนจบในเรื่องราวของลมหายใจแล้วตั้งตั้งยาวทั้งสั้นตั้งละเอียดทั้งหยาบเราไปเรื่อยเแล้วเขาก็จะเดินออกมา ในการรู้นั้นผ่านการเรียนรู้เลยนะพอกําหนดรู้แล้วมันก็เป็นศึกษาศึกษาลมหายใจคือลมหายใจที่มันไหลออกไหลเข้าเนี่ยมันมีอาการอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรก็ก็ศึกษาเข้าไปเเราศึกษาหรือเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดมันก็คือความรู้นะมันก็ทําให้รู้นะนะั่นแหะ รู้ที่เกิดจากการกรำหนดรู้รู้ที่เกิดจากการเรียนรู้รู้ที่เกิดจากการศึกษามันก็จะไปรวมอยู่ในรู้เดียวกันที่มันผ่านชั้นผ่านความเติบโตความเจริญรุ่งเรือรงที่แตกต่างกันความเข้าใจที่เป็นระดับที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้รู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจากการเรียนรู้หรือการศึกษาตนลมหายใจขอก็จะเดินออกมาจากลมหายใจ คือลมหายใจมีอยู่แต่ไม่ต้องเรียนรู้แล้วมันก็ไปเรียนรู้สิ่งอื่นที่เกิดขึ้นอีกนั้นรู้ที่พัฒนาขึ้นมาจากรู้ลมหายใจนั้นต่อไปมันก็จะไปเรียนรู้และก็ศึกษาสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละไม่ใช่ที่อื่นนะในกายในใจนี่แหละนั่นในอนาปานนสติเนี่ยท่านจับกายใจของเราเนี่ยออกมาแยก เป็นกญญายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาและก็สงเคราะห์สภาพรู้ในส่วนสี่ส่วนสี่ข้อแรกเนี่ยเป็นกญญายานุปัสสนาสงเคราะห์สภาพรู้ในสี่ในสข้อที่สองหมวดที่สองเนี่ยเป็นเวทนาสงสงเคราะห์สภาพรู้ในสี่ข้อส่วนที่สามนี่เป็นข้อจิตานุปัสสนา สงเคราะห์สภาพรู้ของสี่ข้อในส่วนที่สี่เป็นธรรมานุปัสสนาซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในอาณาปานสติเราเรียกกันว่าอาณาปานสติสิบกแต่ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้หรือท่องจำให้มันเยอะแยะมากมายนะมันแค่เพียงรู้ลมหายใจกําหนดรู้ลมหายใจแน่วแน่ต่อเนื่องแล้วก็ศึกษาลมหายใจนั้นแน่วแน่ต่อเนื่อง สภาพทำอะไรเกิดก็เพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรดับก็รู้แค่รู้ตามความเป็นจริงว่าดับความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดมันไม่มีอะไรจริงที่สุดไปกว่าการเกิดของสิ่งนั้นความเป็นจริงของสิ่งที่มันดับมันไม่มีอะไรจริงไปกว่าการคําว่าดับของสิ่งสิ่งนั้นพฤติการเกิดและการดับมันมีอยู่ของทุกๆสภาวะ เราก็รู้ความเป็นจริงมันแค่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตมันก็จะประจับอยู่กับความเกิดและความดับของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีลมหายใจมาเราจึงเรียกว่าอนาปาณสิเมื่อมีลมหายใจมาเราไม่ได้ไปกนดรู้เราเพียงแค่รู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวที่จะประคองรู้ของเราไม่ให้ถลําออกไปนอกและไม่ให้ถลําลึกลงไปข้างในขอยประคองรู้ในสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงอย่างนั้น นี่เป็นเป็นหลักของอาณาปณสติและรู้ที่เราที่เราพัฒนาและก็เรียนรู้ขึ้นมาจเจริญขึ้นมานั้นมันก็จะออทําหน้าที่ตามธรรมชาติของรู้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าพอเราประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันหมดมันไม่มีเลยที่เราจะต้องเข้าไปบังคับบัญชาบงการกําหนดสิ่งใดๆดให้มันเป็นไป เมื่อใดที่เราเข้าไปบังคับบัญชาบงการสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปดังใจดงังดังที่เราต้องการเมื่อนั้นมันจะเกิดผิดธรรมชาติขึ้นมาทันทีมันคำว่ารู้เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของรู้อีกเหมือนกันหน้าที่ของรู้ก็จะเป็นธรรมชาติของรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็จะเป็นธรรมชาติของสิ่งที่ถูกรู้สภาวะต่างๆที่มันปรากฏมันก็เป็นสภาวะของธรรมชาติที่มันปรากฏแต่ทุกๆสภาวะ มันมีความเป็นจริงที่สุดเหมือนกันที่พระเจ้าเรียกสมทุทัยัญจะอัถังกมันจะนั่นแหละคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราใช้ความสำคัญคาดหมายในในความเกิดขึ้นของสภาวะนั้นแล้วก็เอามาปรุงแต่งเกิดจนชอบหรือไม่ชอบขึ้นมามันก็กลายเป็นสิ่งสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ ก็ความไม่ชอบหรือความชอบมันก็เกิดขึ้นแต่รู้ที่อยู่ในธรรมชาติของรู้ทสิ่งที่ถูกรู้อยู่ในธรรมชาติของสิ่งที่ถูกรู้นะพูดอย่างนี้ถ้าคนไม่ไม่ได้ภาวนามันก็จะเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้าเราภาวนาเราทาอนา ม, มาตลอดตลอดเราจะรู้ว่าสภาพรู้คืออะไรสิ่งที่ถูกรู้คืออะไรทั้นคำว่าชอบหรือไม่ชอบรู้ เมื่อแยกออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติของกันและกันไม่เกี่ยวข้องกันและกันแ ล, แล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นอภิชาโทมณสังวิเนยโลเกอภิชาโทมนณสังคือมันหยุดหยุดความชอบความไม่ชอบในโลกนั้นออกได้ทันทีเพราะว่ามันแยกกันเป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างแล้วการประคอง ให้รู้อยู่กับถึงที่ถูกรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมันก็เกิดเป็นคุณสมบัติสามประการเรียวกว่าอาตาปีสัมปชาโดสติมาอาตามีมาเกิดความเพียนแผดเผาบางครั้งเรามองไม่รู้เรื่องแต่ขณะที่เราขณะที่เรารู้ลมหายใจไลลออกขณะที่เรารู้ลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเนยอาสวะกิเลสที่มันมีอยู่โดยเฉพาะนิวร ที่เขามีอำนาจแล้วก็อยู่ทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวของกิริยาเราเวลาเราเคลื่อนไหวเราก็จะมีอำนาจของอาสวะนี่แหละเป็นพลังขับเคลื่อนแต่เวลาเรารู้ลมาหายใจต่อเนื่องไปเนี่ยเขาไม่มีบทบาทที่จะได้มาแสดงอำนาจว่าให้ใจเราเป็นไปตามอำนาจของความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาความพยาบาทไม่มีอำนาจ ไม่มีอำนาจต่อเรื่องไปเนี่ยมันก็เร่าร้อนนะมันก็เร่าร้อนเมื่อการเร่าร้อนเรียกว่ามันถูกความเพียรของเราเนี่แหละเข้าไปแผดเผาแผดเผาทำให้เขาไม่สามารถแสดงออกมาเป็นอักขุศลคือที่เป็นงานที่เคยเป็นอักุศลอยู่แต่เดิมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อักุศลใหม่ที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้อักุศลเก่าที่มีอยู่มันก็ถูกระงับดับลงไป มันก็กลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นสัมมาวายามะอาตาปีตัวนั้นมันก็กลายเป็นสัมมาอเยวายามะถ้ามันไม่แข็งแรงพอมันก็เป็นกระแสของสัมมาวายามะสัมบ์ชานโนคือการรู้ทั่วรู้ตัวมันก็เกิดในขณะที่เรารู้ไปสู่ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติไม่ไปบังคับไปกําหนดไปคาดหมายสิ่งใดๆรู้ไปตามความเป็นจริงลมหายใจออกรู้ลมหายใจเขารู้ตัวนั้น มันเป็นความรู้รู้ทั่วสัมปะชาโนเนี่ยชานะเนี่ยชาโนโนิปัญญา น, นาไไววี่แปลว่ารู้สัมนี่แปล ว, ว่าพร้อมปะนี่แปลว่าทั่วสัมปะชาโนปะเนี่ยทั่วสังพร้อมชานะนี่รู้นีรู้ทั่วพร้อมรู้ทั่วพร้อมนั่นมันเป็นอะไรมันก็จะทําให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ไอรู้ทั่วพร้อมไปเลยทุกจุดทําให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงถึงสิ่งที่เกิดถึงเหตุปัจจัยได้ความดับความเกิดแต้ความดับมันทําให้เห็นตัวนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกระแสของสัมมาทิฏฐิสติมาก็มีสติสติก็คือเป็นทางแห่งสติปฐานนั่นคือสัมมาสติเพราะฉะนั้น แค่เราลูลมหายใจสามารถที่จะทำให้เข้าสู่ทางที่ชื่อว่าเอกกายมรรคได้อันในทางเป็นธรรมชาติตอนที่พระพุทธตอนที่เทวดามาไล่โครงอุปนิยติชีวิตมัปปะมายงุงสรูปรรูรูเรีปรรัชรูปรีรัน ตสันตัสสณนะสันนาะสันติตาณานะสันติตานาขเข้ว่าชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่ถูกชราตอนเข้าไปสู่มรณะไม่มีเครื่องต้านทานมาเมื่อเห็นความตายอันเป็นภัยนี่แล้วก็ให้เร่งทำบุญเพื่อหาความสุขเถิด เทวดาความคิดของเทวดานะความคิดของเทวดาหรือความคิดของคนรวยแต่มันไม่ได้จริงสุดแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นทุกข์พระพระุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าโลกามีสั้งปัจเจเหตุสันติเปกโขเนี่ยให้เข้าสู่สันติเพราะว่าที่เข้าสู่สันติก็คือทุกอย่างรู้ที่ไปอยู่กับความเป็นจริงตามธรรมชาติทั้งหมดมันก็เลยเป็นอิสระ อิสระคือว่ามันไม่ไปคาดหมายรู้มันแยกออกมาจากกายโดยเด็ดขาดเรยกมาจากนามโดยเด็ดขาดแยกมาจากกายจากใจโดยเด็ดขาดโดยเห็นกายและใจเป็นธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนั้นตามความเป็นจริงมันไปคาดหมายใดๆมันก็เป็นอิสระอิสระมันก็เป็นสันตินั่นแหละสันติเปกโขก็เป็นสันติแต่ฟังดูถ้าเราไม่ทําความเข้าใจให้มัน ละเอียดลงไปเราจะเข้าใจเขายากหน่อยแต่ถ้าเราภาวนาโดยเฉพาะอาณาปานสติที่เราปฏิบัติกันมาแต่เดินเดินเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายว่าการให้สภาพรู้ทรงตัวอยู่ที่กายที่ใจและรู้อะไรก็รู้ธรรมชาติที่ชื่อกายชื่อใจนี่แหละตามความเป็นจริง ปมะมรู้ตามความเป็นจริงแม้พระพุทธเจ้าเรียกสติปัฏฐานสี่คืออะไรกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนากายานุปัสนามันก็ไม่ใช่อื่นนะำกำหนดปัญญาเห็นกายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักดว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เรียกว่ากายานุปัสนาการจะรู้อย่างนี้ได้หมายความว่าจิตมันต้องเป็นอิสระแล้วก็เดินออกมาจากกายและเห็นกายตามความเป็นจริงมันจึงจะรู้อย่างนี้ได้เวทนานุปัสนา สติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตตเขาไอ้นี่เรียกว่าเวทนานุปัสาานาก็คือจิตเป็นรูปเป็นอิสระเดินออกมาจากเวทนาเห็นเวทนาตามความเป็นจริงเพราะเวทนาก็ไม่ใช่เราเราไม่มีอยู่ในเวทนามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเกิดขึ้นตามนั้ น, นเรียกว่าเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาคืออะไรก็กำหนดพิจารณาเห็นใจเป็นอารมณ์ว่า ใจนี้ก็ใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแพ้วมันจะเศร้าหมองหรือผ่องแพ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์มงคลตัวเราเขาเรียกจิตตานุปัสสนา mm hmm. ก็ให้ปล่อยไปเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นรู้ที่เดินออกมาและเห็นสิ่งเหล่านั้นปรากฏเป็นจริงไปตามธรรมชาติของเขาไม่เอาเราเข้าไปวุ่นวายในสิ่งเหล่านั้นรู้นั้นแหละแยกออกมาอย่างนั้นเรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ยากนะหมายว่าเราจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เดินไปอย่างกล้าหาญกับการที่จะผ่านพ้นต่อสภาวะทั้งปวงมันไม่ใช่ว่าเราไปนั่งไปแล้วไปปฏิบัติแล้วเราไปเจอสภาวะอย่างนั้นเจอสภาวะอย่างนี้แล้วเราก็เอาสภาวะนั้นๆกลายมาเป็นประเด็นเอาสภาวะใดก็ตามมาเป็นประเด็นนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าเราเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้นแล้วสภาวะนั้นเป็นเราแล้วพอสภาวะใดที่เป็นเราหรือเราเข้าไปอยู่ในสภาวะใดมันมันฝืนธรรมชาติหมดแล้วเพราะสภาวะเขาเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเราเข้าไปเกี่ยวพันในสภาวะใดก็ตามสภาวะนั้นมันถูกการขาดหมายของเราให้คงเป็นอย่างนั้นและนั่นเป็นเรา มันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วกับความเป็นจริงพอพูดกันไม่รู้เรื่องกับความเป็นจริงมันเป็นอิสระไม่ได้มันเดินออกมาไม่ได้มันก็เถียงกันไม่มีวันจบแต่ถ้าว่ามันไม่เถียงเมื่อใดมันเข้าใจเมื่อใดมันเดินออกมาเมื่อใดมันเห็นจริงเมื่อใดมันจบเพราะว่าในสภาวะทั้งปวงมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไงดับไปไม่มีไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องมาถกเถียงกันในเรื่องของสภาวะเหล่านั้นถ้าเรารู้ ได้ตามความเป็นจริงเราเกิดสภาวะอันใดก็ตามและเราคิดว่าเราไม่เข้าใจมันคืออะไรนั่นคือเราเริ่มเข้าไปอยู่ในสภาวะแล้วและเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะกำหนดคาดหมายให้สภาวะนั้นเป็นไปดังใจเราเราพยายามตั้งคำถามและตอบ ด้วยตัวของเราเองซึ่งสภาวะเกี่ยวไหมมันไม่เกี่ยวเขามีธรรมชาติที่เกิดขึ้นและก็ดับไปเป็นไปตามธรรมชาติข อ, ของเขาอยู่แล้วใครจะไปเกี่ยวได้เราก็เหมือนกันก็เหมือนกับตายทั้งกายเนี่ยที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นธาตุดินมันก็เป็นธรรมชาติของดินน้ํามันก็เป็นธรรมชาติของน้ําไฟมันก็เป็นธรรมชาติของไฟแต่มันมีปัญหาตรงไหน ตรงที่เราว่าพอเราสำคัญธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินแล้วดินเป็นของเราเราเป็นดินดินอยู่ในเราเราอยู่ในดินดินกับเราเป็นตัวเดียวกันเราก็เลยสำคัญว่าดินเป็นของเราเราเป็นดินเป็นเราเราเป็นของดินใช่ไหมเมื่อดินเขาแปรด้วยอํานาจของอุปทานเราเป็นไงไม่ให้แปรเมื่อดินเขาเริ่มเปลี่ยนเราเป็นไงไม่ให้เปลี่ยนแต่ดินไม่ยอมดินเปลี่ยนเราก็เลยรับไม่ได้ มันก็เลยเติดการต่อสู้เพื่อที่จะให้เกิดเป็นเครื่องต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินแล้วมันอยู่ไหมพระพระเจ้าถึงบอกว่าณสันติตานาไม่มีเครื่องต้านทานใดๆรักฐานได้ไม่มีเครื่องต้านทานใ ด, ด, นนดแต่เราต้องต้านทานเพราะความทุกข์มันเกิดไหมมันก็เกิดตรงเนี้ยแหละ มันก็เกิดตรงนี้แหละอ่าวทีนี้เรามานั่งสมาธิพอเรามานั่งสมาธิเรานั่งอยู่อย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาปเป็นธรรมชาติดินเป็นธรรมชาติของดินน้ําเป็นธรรมชาติของน้ํำไฟเป็นธรรมชาติของไฟลมเป็นธรรมชาติของลมเพราะเรานั่งรู้ของเราเป็นไงเกิดขึ้นปั๊บเพื่อที่จะรู้ลมหายใจตามธรรมชาติ เ, า เ, รเริ่มเรื่องเรากําหนดรู้ก่อนเพื่อให้ รู้มาประคองอยู่ที่ลมหายใจไลยออกลมหายใจไล่ข้าวรู้ไปเรื่อยเอยพอรู้ไปรู้ไปเสร็จแล้วมันเกิดอะไรเกิดความปวดขึ้นอืมที่เราเรียกว่าความปวดศัพท์ที่ชื่อว่าปวดพอปลาบววแหวนเราเด็กศัพท์นี้แปลว่าปวดความหมายมันเป็นยังไงหืมศัพท์ที่ชื่อว่าปวดมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร เพราะอุปาทานในธาตุนั้นว่ามันเป็นของเราปวดคำว่าปวดเกิดขึ้นนั้นคือใครปวดเราปวดแ ท, ท้จริงตรงนั้นมันคืออะไรคืออาการของธาตุดินที่มีการอาการของธาตุที่ก็เคลื่อนไหวตามธรรมชาติแต่เรนั่งนิ่งๆอยู่อย่างนี้น้ำหนักของเรากดทับลงไปที่ก้นล่างอย่างนี้ การการเคลื่อนไหวของธาตุมันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาการเดินของเลือดการเดินของลมการโคจรของเลือดมันไม่สะดวกเพราะมีน้ำหนักเราไปกดทับอยู่มันก็มีการเคลื่อนไหวของธาตุมีอาการแสดงออกมาให้เรารู้เราเห็นได้ไอ้น้ำเป็นการเคลื่อนไหวของอะไรของธาตุสีเป็นเคลื่อนไหวของธาตุสีเพราะธาตุตั้งสี่เขาทงานตามธรรมชาติของเขาอยู่ใช่ไหม ธาทั้งสี่เขาทำงานตามธรรมชาติของเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวตามธรรมชาติในการทำงานของธาสี่เขาทางานตามธรรมชาติของเขาอยู่แต่เราต้องมาปวดเพราะเพราะอะไรเพราะเราถือว่าถือว่ากายนี้เป็นของเราเราอยู่ในกายกายอยู่ในเรา ธาตุดินเป็นกังเราเราเป็นธาตุดินธาตุดินอยู่ในเราเราอยู่ในธาตุดินนั้นจริงๆอาการต่างๆที่เกิดมันเป็นการแสดงการทำงานของธาตุเมื่อเลือดมันเดินไม่สะดวกลมมันเดินไม่สะดวกมันก็เลยเกิดการเร่งดันที่จะเดินใช่ไหมไอ้ตัวก้างบนหนูลมเข้าไปเลี้ยงไม่สะดวกเลือดเข้าไปเรื่องไม่สะดวกมันก็เกิดอาการเหน็บขึ้นมาอใช่ไหม เกิดอาการชาขึ้นมาตามเนื้อเกิดการเกร็งเกิดการกระตุกเกิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของการทำงานของธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้คือความเป็นจริงถ้าเรารู้แข็งแรงพอที่จะเข้าใจและรู้สึกอย่างนั้นได้เราก็จึงเห็นแทนที่ว่าเราจะเจ็บ ไอ้คำว่าปวดเนะี่ยมันจะหายไปใช่ไหมความหมายของคำว่าปวดมันก็กลายเป็นการเคลื่อนไหวของธาตุแทนที่เราจะพูดว่าปวดเราก็จะเห็นว่าอาการที่เราเคยเห็นว่ามันปวดนั่นน่ะมันเป็นอาการการเคลื่อนไหวของอะไรของธาตุเป็นอาการคือการทํางานของธาตออุมันเป็นธรรมชาติเพรมันอย่างนั้นอืม อั น, นี้ตามความเป็นจริงถูกป่ะแล้วเราไปใช่เขาว่าปวดพอปวดพอปลาบอแหวนโดเด็กนี่โวยมันมันแทงเข้าไปข้างในเลยนะใช่ไหมเออมันแทงเข้าไปข้างในเลยเพราะมันแทงเข้าไปได้ไรเลยนะ่ะในนั้นเราหาเหตุผลได้ไหมเยอะแยะเหตุผลเยอะมากแต่ว่าเหตุผลเพื่อให้มันมาเป็นอะไร เป็นเราที่แท้จริงเหตุผลเพื่อให้มันมาเป็นของเราที่แท้จริงเหตุผลเพื่อให้มันเกิดการปวดที่แท้จริงเพราะทั้งหมดเหล่านั้นน่ะคือสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นมาโดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าโลกามิตฎหมด่ะเหลืออันนีสิ่งสมมุติก็ได้สมมตินะ ซึ่งมันมาเกี่ยวพันกับคำว่าทุกข์ของเราตรงไหนตรงอุปาทานนั่นแหละใช่ไหมเออตรงอุปาทานนั่นแหละมันรู้ที่รู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของธาตุของกายของใจรู้นั่นแหละมันจึงจะเป็นอิสระออกมาได้ ถ้ารู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงพอสำหรับที่จะรู้อย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นอิสระจากอาการของธาตุที่เคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆถ้าอาการของธาตุที่มันเคลื่อนไหวหนักๆมันก็ไม่ได้แต่ถ้าจิตที่เป็นพระพุทธเจ้านี่มันได้หมดจิตที่เป็นพระอาหารหันต์เรียกว่าอารหรันตมรรคมันได้หมดได้หมดแล้วก็ มีได้ไม่หมดลงมาเป็นระยะเป็นเป็นเป็นระดับระดับระดับระดับลงมาแล้วเราก็สามารถที่จะมาตรวจสอบได้ว่าถึงเราตอนเนี้ยแต่ละระดับระดับระดับมาถึงเราตอนเนี้ยเราเข้าใจในเรื่องคําว่ารู้ที่พูดนี้ไหมถ้าเราเข้าใจแล้วเราลองตรวจสอบดูซิว่าเราสามารถที่จะให้รู้ของเราอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติในระดับใด ในการเคลื่อนไหวของธาตุในระดับใดถ้าสองสามถ้าหลายๆอาการที่มันเคลื่อนไหวอยู่เราเกิดความรู้และความเข้าใจในการเคลื่อนไหวอ น, นั้นว่านี่มันเป็นสักแต่ว่าธาตุการถมานของธาตุที่มันเป็นอย่างนั้นมันจริงๆของมันอย่างนั้นน่ะดูสิตรงนี้อยู่ในระดับไหนแต่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังเข้าใจมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้หมดละเพราะฉะนั้น การรู้ลมหายใจก็ดีการเจริญสติก็ดีการเดินจงกรมก็ดีทุกอย่างที่อยู่ในรูปแบบที่ให้พวกเราได้ปฏิบัติกันเนี่ยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้เนี่ยมันแข็งแรงรู้ที่มันแข็งแรงนี่มันมีสติสมาธิและปัญญาอยู่ในรู้นั้นนะ่ะที่มันเดินออกมาจากทุกอย่างเดินออกมาจากทุกอย่างแล้วก็เป็นอิสระ ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีศาสนาไหนสอ น, นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละสอนทั้งหมดที่เราต้องประพฤติปฏิบัติไม่ว่าการทำบุญทำทานรักษาศีลทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้นเพื่อมาส่งเสริมให้อตัวรู้นี้ได้มีโอกาสเป็นอิสระจากสิ่งตั้งวงได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีบุญมากพอยากยาก อันเช้ า, าการบรรยายธรรมะภาคเช้านะที่หนึ่งชัวง่วโมงอะแป๊บเดียวเองก็ให้พักสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวมานั่งสมาธิกัน